พระนาคบนสาลามีคนจำนวนมากนิยมชมชอบพระพุทธรูปพระเครื่องต่างเสาะแสวงหามาเป็นเจ้าของบ้างก็เก็บไว้เพื่อบูชาระลึกถึงองค์พระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างก็ทำเป็นการค้าตามธรรมดาของมนุษย์ที่ยังอยู่ในวังวนความโลภพระเหล่านี้เปลี่ยนมือครอบครองไปตามความต้องการของตลาด ยิ่งเก่าแก่ยิ่งงดงามก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบโดยเฉพาะสิ่งที่ถือว่าเป็นของเก่าก็อาจจะมีมูลค่ามากขึ้นตามการเวลาจะมีคนต้องการมากเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเป็นพุทธพาณิชย์หลวงตาจึงไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อค้าเอารูปครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาวางขายบนทางเดินให้ผู้คนเดินเฉียดกรายไปมา ทนปรารถนาที่จะเห็นและได้ตําหนิงการกระทํายิ่งนี้เสมอมาพระประธานบนศาลาที่วัดป่าบ้านตาดเป็นสีสง่าแก่วัดมานานเข้ามาถึงวัดก็มองเห็นแล้วที่หน้าพระประธานมีพระพุทธรูปองค์เล็กอยู่เพียงสององค์ประดิษฐานลดหลั่นกันลงมาผิดกับบางวัดที่ศาลาแน่นไปด้วยพระบูชาต่างๆแถมยังมีบาตรน้ํามนต์ราวเทียนกระถางทูบวางเต็มไปหมด ความเรียบง่ายของสลาวัดป่าบ้านตาดทำให้เห็นถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาวัดที่อยู่ในสายทานของหลวงตาจะเหมือนกันทุกวัดเป็นการวางรากฐานของวัดป่าและพระป่าแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายพระนาคคือพระพุทธรูปองกลางประดิษฐานอยู่ข้างหน้าพระประธานในศาลาเป็นพระหล่อที่มีสีของหน้าขัดเงางดงามไม่มีใครทราบประวัติว่าท่านมาจากที่ใด เจ้าของผู้สร้างอธิษฐานเมื่อสร้างว่าอย่างไรที่รู้กันก็คือผู้ที่ครอบครองพระนาคองค์นี้ไว้เป็นการส่วนตัวมีอันเป็นไปทุกรายจนต้องอัญเชิญท่านมาประจำบนศาลาวัดป่าบ้านตาดให้เป็นสมบัติส่วนกลางเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้เป็นการสร้างบุญบารมีตามที่เจ้าของดั้งเดิมได้ตั้งใจอุทิศไว้เมื่อมาอยู่วัดก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์ร้ายอะไรอีกเลย เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชอบสะสมพระเล่นพระนักเล่นบางคนถึงขนาดพกกล้องสองพระเอาไว้กับตัวเห็นพระเครื่องเป็นไม่ได้ต้องนั่งยองๆส่องพระหาตำหนิผมเคยได้ยินจากคำปรารบของเจ้าประคุณสมเด็จว่าพระน่ะไม่ปลอมคนน่ะปลอม คนพวกนี้อาจต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างเดียวกับที่บรรดาเจ้าของพระนาทั้งหลายในอดีตพบมาจนเอาชีวิตไม่รอด